เราทั้งหลายตั้งใจเช่นเคยการปฏิบัติความเตรียมพร้อมความตั้งใจจะต้องปฏิบัติจะต้องตั้งใจจะต้องเตรียมนะอยู่เสมอเมื่อมีการปฏิบัติเมื่อมีการงานแล้วก็มีการเตรียมงานนันใดที่ทำด้วยความละโหนมและความย่อหย่อน งานนั้นไม่มีผลหน้างานใดที่ทำโดยความตั้งใจทำโดยความเรื่มใส่ทำโดยความพอใจงานนั้นย่อมไม่ผลเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรมองข้ามความตั้งใจความจริงใจเรียกว่าสัด จ, จะความจริงใจ จะทำสิ่งใดก็ขาให้ตั้งใจทำจริงๆคนทำงานที่ล่าหลังรับคนงานทำงานที่ในเวลาเดียวกันจะมีผลงานผิดกันเพราะแสดงออกทางจิตใจที่เการเป็นผู้ควบคุมงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แสดงออกให้เห็นจริตนิสัยจะนด้เห็นต่างๆในการุมงานในการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นจึงมีการอบรมฝึกฝนจิตใจให้มีความกำลังให้มีกำลังความสามารถให้มีความฉลาดให้มีความรอบรู้ทั้งเหตุการณ์ทั้งเวลาทั้งการกระทําทเราทั้งหลายมีเวลา ในการปฏิบัติบางคนก็มีเวลาน้อยบางคนก็มีเวลาพอที่จะทำได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเวลาน้อยต้องแบ่งเวลาทำการงานอย่าคิดว่าเวลาไหนก็ได้การันยุตาทำของสักบุรุษท่านรู้จักการ ท่านรู้จักประมาณประมาณยุธารู้จักประมาณให้เหมาะสมเกี่กานเก่เวลาเก่ยกำลังเ่อที่จะพลิตผลประโยชน์ออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่แวดล้อมบริหารช่วยให้ความอำ น, นวยความสะดวกในการปฏิบัติของเรางานใดๆทุกชิ้นที่เราทำ ด้วยความเหมาะสมแล้วย่อมมีผลสำเร็จสแสดงออกมาในทางที่ไปในทางที่ก้าวหน้าเข้าสู่เป้าหมายและความเจริญที่เราทั้งหลายต้องการเพราะฉะนั้นเราควรพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่รักษา ในการที่วิจัยตรวจรองดูจิตใจของเราเพื่อให้ได้รับการอบรมจากหลักธรรมที่แท้จริงคือสตเออิเข้าไปช่วยเหลือรักษาให้จิตได้รับการอบรมเพื่อประโยชน์เกิความสงบเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่มาก่อกวน ที่เคยก่อกวนมาแล้วกำลังก่อกวนอยู่ให้หลุดพ้นออกไปจากจิตใจของเราเพราะถ้าเราไม่มีสติเข้าไปช่วยเหลือแล้วไม่มีทำอื่นที่จะช่วยเหลือจิตใจได้สติจึงเป็นเครื่องมีอุปการะ ในการงานการกระทำทุกประเภทจิตใจถ้าสติไม่สมบูรณ์แล้วใช้การใช้งานไม่ได้เรียกว่าคนเสียสติบ้างคนเสียเจริตบ้างถึงแม้ว่าส่วนอื่นจะยังดีสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าสติไม่ดีอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีความหมายในความก้าวหน้าความสุขความเจริญของชีวิตเราจะอยู่ในโลกเจริญก็ตามจะเกิดในตระกูลเจริญก็ตามจะอยู่ในพักคพวกสังคมที่เจริญก็ตามตัวเองสติไม่สมบูรณ์เท่านั้นพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างาเราทั้งหลาย ที่มีสติเป็นปกติสามารถที่จะ บ, บำรงให้เจริญได้ให้แก่กล้าได้เราไม่ควรปล่อยให้ความเล่นเล่อเผลอตัวมาทำลายสติของเราเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าความเล่นเล่เผลอตัวที่เราปล่อยให้ลืมตัวนั้นเป็นตัวเหตุตัวมูลฐานตัวปัจจัย ความลืมตัวนี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราทั้งหลายผิดพลาดมาแล้วเราทั้งหลายจะต้องผิดพลาดต่อไปอีกถ้าหากเราไม่แก้ไขในส่วนนี้เพราะเป็นบริวารของอวิชชาที่แสดงออกมาจากอาวิชชาเป็นตัว หลักสำคัญจิ่งเพราะอาวิชาไหนสามารถผลิผลออกมาได้หลายอยา่างถ้าเราไม่รู้เท่าเลยหลงเรียกว่าหลงสังขารผลิดออกมาสังขารปรุงแต่งให้เราไม่รู้ตัวให้เราไม่ได้กลับมาสนใจในจิตใจของตัวเองอาจจะว่าเรารู้ก็ได้ แต่มันรู้บริวารของอวิชชาบริวารของสังขารที่มันปรุงเพื่อสนับสนุนอวิชชาความหลงตัวลืมตัวเองให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าวิชาในทีน่นี้อย่างน้อยก็คือสติมาในรูปสติความรู้ตัวก่อนเพื่อทำลายความไม่รู้ตัว เมื่อเรารู้ตัวแล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นในตัวของเราเองโดยทางที่ชอบทำหรือไม่ชอบทำเราก็จะได้รู้จักแต่รู้ขณะเดียวครู่เดียวบางทีอาจจะรู้แต่แต่มันก็ทุกเกิดขึ้นรู้แต่ทุกแต่เราก็ไม่สามารถไปรู้เหตุเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสมาธิที่รักษาสติรักษา ความเพียรของตอนเองให้ได้กำกับเพื่อจะได้รู้ถึงเหตุถึงปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจิตให้สงบได้นานเท่าใดดูหมายความให้เราได้ดูตัวของเรานานนานนั่นเองเปรียบเหมือนภายนอกเรารู้จักคนบางเห็นบางคนเห็นเต่าหน้าใหม่ๆ ใ, ในช่วงระยะแรกมุกกรดีทางนั้นน่ะ การพูดยากก็ดีการทุกอย่างมารดยากก็ดีๆทั้งนั้นแต่เมื่อคบกันไปนานๆแล้วจึงรู้เหมือนกับธรรมชาติของติดแท้กับของปลอมเหมือนกับเงินปลอมหรือทองปลอมอาจจะเป็นของที่ดีกว่าของแท้ก็ได้เมื่อพบกันใหม่ๆเมื่อเห็นใหม่ๆถ้าเราไม่ได้ศึกษาหาความรู้มา แต่ก่อนแล้วเราอาจจะหลงเข้าใจผิดชั้นใดก็ดีอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเกิดในจิตก็เช่นเดียวกันถ้าหากเรารู้เฉพาะระยะหนึ่งเช่นว่าทุกเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ว่าทุกเมื่อไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยเราก็ไม่สามารถจะลีกออกจากทุกได้เราก็จําเป็นจะต้องยอมรับเพราะอะไรเพราะความไม่รู้นี่เองตัว เหตุสำคัญความไม่รู้เหล่านี้แหละเป็นบริขานบริวารของอวิชชาทางนั้นที่เหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ได้เริ่มแต่เรายังไม่มีปัญญาสามารถทจะทําลายตัวอวิชชาอันตัวรังใหญ่ได้เหมือนกับเราไม่สามารถกําจัดความมืด เหมือนกระดวงอาทิตย์ได้เราก็เพียงแต่เอาดวงไฟมาใช้ในเฉพาะขอบเกตที่เราทำงานก็ยังดีกว่าเราปล่อยให้มืดรอดวงอาทิตย์ส่วนเดียวในชั้นใดก็ดีถึงแม้ว่าเรายังไม่บรรลุมาผลธรรมวิเศษปัญญาดวงใหญ่เราก็ควรใช้สติซึ่งมาช่วยเหลือเราในจิตใจในเฉพาะปัจจุบัน เมื่อสติละลึกได้ลึกเข้ามารู้ตัวเป็นสติที่เชอบอยากพิจรารณากายก็ตามรู้กายก็ตามจะรู้จิตก็ตามคํารู้ตัวรู้ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราอยากจะรู้เป็นสิ่งที่ยืนยันหลักฐานที่เราเห็นได้โดยตาเพื่อรู้กาย ก, กายก็มีทางกายนอกกายในเรียกว่ากายในกาย ก, กายนอกที่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเรา ส่วนกายในยใ น, นั้นเราเห็นด้วยสัญญาที่เคยเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเช่นเราเห็นกระดูกเห็นตาเห็นใจที่เรายังทึงแม้ว่าเรายังไม่เคยเห็นด้วยตาธรรมดาก็ตามแต่เราก็เชื่อแน่ว่าสินน่งนั้นนี่มีเห็นคนอื่นสิ่งที่อื่นเราเห็น เขาพ่าเขาตัดสิ่งใดมีอะไรส่วนไหนอะไรหรือเห็นรูปที่เขาเขียนไว้เราก็สามารถเอาสัญญาอันนั้นมากำหนดเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มันเป็นมันตรงกับความจริงสิ่งเหล่า น, นี้เราจะศึกษาให้เป็นธรรมให้เกิดความสลดสงบก็ด้ถ้าเรามีสติอันถูกต้องจะเป็นช่องทางให้เกิดความพ้นจากทุกข์ก็ได้ แต่ถ้าหากสติของเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ความเห็นในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์มีแต่อวิชชาให้เกิดปัจจัยสังขารปรุงแต่งไปในทางให้เกิดความหลงเกิดความชอบใจเกิดความดีใจในสิ่งที่ตนหลงและเกิดความเกลียดเกิดความชังไม่พอใจในสิ่งที่ตนหลง ไม่รู้ความจริงในเรื่องนั่นเองทั้งเกลียดจังโดยไม่มีเหตุไม่มีผลหลงรักชอบโดยไม่มีเหตุมีผลถ้าหากระสติของเราทั้งหลายเข้าไปกำกับช่วยกันแล้วเราก็สามารถจะสอดสองอดวงสติอันติความระลึกอันนั่นแหละสามไปชัญยะความรู้ตัวดวงเล็กๆสองดวงเข้าไปทำงานด้วยกันได้แหละ ควบคุมกำกับในระยะยาวนาตเราก็จะได้รู้เหตุรู้ผลรู้ตน้นรู้ปลายทางมาของสิ่งอย่านั้นนิ่จิตใจสงบละเอียดไปเท่าไหร่แล้วมันจะสร้างความรู้ความสามารถเข้าไปเห็นจุดอ่อนของอวิชชาที่เราจะทำลายได้โดยง่ายเราจะเห็นส่วนลึกส่วนจุดอ่อนของมัน เราก็จะสามารถที่จะได้ดับอวิชชาซึ่งเป็นปัจจัยให้เราหลงตูงแตกเรียกว่าสังขารสังขาร น, นั่นอย่าไปเข้าใจว่ามันอยู่ในตัวหนังสืออยู่ในหลักสูตรหรูอประโยคสามที่เราทรงจำจะเรียนอวิชชาปฏิยาสังขาราสังขาระปฏิยาวิญนญาณนั่นเราจะไปแต่งในหลักสูตรอย่างนั้นไม่ทันกิเลสอวิชชาในผมก็มีเมื่อเราหลง อวิชชาในขนก็มีอวิชชาในเล็บก็มีอวิชชาในหนังกระเด็ดก็มีเมื่อเราหลงผมมันก็เป็นสังขารในผมได้เนี่ยมันต้องเราไม่ต้องไปดูสูตรที่น่ะอวิชชาในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกหรืออวิชชาในรูปอวิชชาในเวทนาอวิชชาในสังขารอวิชชาในวิญญา อาวิชาความไม่รูนะ้มันตั้งตรงไหนก็ได้เราไม่รู้สิ่งใดมันก็เป็นอาวิชาเหล่านั้นสังขารเป็นเหตุให้หลงรักหลงชังในสิ่งนั้นเป็นเหตุให้ก่ออวนเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองให้มีทุกข์ตัวสัหาได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสติความรู้ตัวก็ดิสติความระลึกก็ดิทำไปจนยะความรู้ตัวสิน้นตอนนี้เลยจะทางานให้เรา จะที่ส่งทางให้เราเพื่อให้เราได้ดูที่ได้กระแสส่งทางติดไฟเทียงเล็กๆ ก, ก็ได้แต่าหากว่าเมื่อเราได้รับการปรับปรุงธนูบรมรูนถูกต้องแล้วไฟดวงนี้ครับจะมีกําลังเข้มแข็งสามากและรู้เห็นกว้างขวางได้ให้ปหยัดลึกซึ้งไปตามระดับเพราะฉะนั้นทางออกจากทุก อันเป็นปฏิปทาขององค์สัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าก็ะเด็ดเราทั้งหลายอยากไปมองข้ามคิดว่าอยู่ที่โน่นอยู่กับพระอาหารหันต์อาหารหันต์โน่นมากพ้นอยู่กับพระอาหารหันที่ท่านสําเร็จที่ท่านได้หรือไปกําหนดน่นอยู่ทั้งทั้งบนฟ้าหน่อยหรือไปอยู่ที่โลกหน้าไม่ได้ไม่อยู่ในจิตใจของเรา เราไปมองไกลจะเกินไปหรือจามองสูงจะเกินไปหรือสุดมือที่จะเอื้อมถึงสุดสติปัญญาของเราที่จะได้การคิดอย่างนี้เป็นการคิดไม่ชอบเป็นความดำริไม่ชอบความดำริชอบคือเราจะต้องคิดเราจะต้องคิดไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่ทำลายตัวเราเอง จิตใจเราเองเราคิดพยายามที่จะช่วยหาหนทางออกก็ไม่ก่อนนคขำมาวิตจบความตรึกความตรึกอันชอบเนคขำมาสังกับโป่ความดำริชอบดาริในทางที่จะออกก่อนที่เราดำริออกก็ออกจากอะไร เราก็ต้องอาศัยสติระลึกถึงตัวเราระลึกกายของเราระลึกจิตของเรามันผัวพันหมกมุ่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งใดเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราไม่ชอบที่เราไม่เจ้การที่เราอยากจะหนีถ้าเราไม่รู้แหละเราก็ไม่มีทางจะหนีถ้าเราสาคัญว่าเราสุขแล้ ว, วเราพอแล้ว เมื่อเรามองเห็นว่าเรามีความสุขเพียงพอเพราะเรามีรูปเพราะเรามีวัตถุเพราะเรามีเครื่องใช้ถ้าจิตใจมองเห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดเนคขำมาสังกโปโอด้เพราะเหตุใดเพราะเรามีความสุขแล้วมีแต่ผูกมัดหมกมุ่นตัวในอยู่ในที่นั้นในสถานที่ฉันนั้นในสิ่งหนั้น เหมือนกับคนเป็นโรคแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคสำคัญว่าตัวเองไม่มีโรคไม่มีไข้แต่หมอเขาผูรู้จักว่าตัวเองมีโรคเมื่อเจ้าของเขาไม่รับว่าตัวเขาไม่ีโรคเขาก็ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะว่าเขายังดีอยู่เหมือนกับคนบากขาวาอคนที่จะเอาคนอื่นไปรักษาเขาว่า คุณน่ยเป็นบ้าคุณไปรักษาคุณเนี่ยฉันไม่ได้เป็นบ้าเขาก็ทําร้องรําทําเพลงสนุกลองให้บาเมว่อเลาะบางตามของเขาหนาถ้าอย่างนั้นแนละ้วใครก็จะรักษาเขาไม่ได้เพราะเขาว่าเขาเป็นคนดีนี่ยชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายถ้าเห็นว่าเรามีความสุขแล้วอันเน็ตเข้ามาสังกับโป ก, ก็เลยไม่มีถ้าเราพิจารณาดูแล้ว ให้รู้ตัางความเป็นจริงที่พระพุทธเจา้าทรงสอนว่าชาติปิถุขขาชารลาปิตุขขามรณำปิทุขขังเมื่อเรามีความเกิดแล้วเราก็ต้องมีทุกข์ว่าต้องมีเมื่อเรามีความเกิดแล้แลเว เ, ลเราก็มีความแก่ชะลาคำขาเมื่อเรามีเกิดแล้วเราก็ต้องมีความโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมีความเกิดแล้วมีความแตกสลาย เมื่อมีความเกิดแล้วก็มีความกินเมื่อมีความกินแล้วก็ต้องมีความดินรนหาเมื่อมีการหาแล้วก็ต้องมีความกระทบกระเทือนกันมีความทะเลาะกันมีความแข่นแย่งกันก็ต้องมีความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งๆเราทุก ทั้งทุกข์ของเราก็ยังมีอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรามีทุกข์เพราะเหตุใดเวลาทุกข์เกิดขึ้นทั้งที่มีอยู่แต่เราก็ไม่เห็นเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ทุกอย่างเดียวไม่มีส ต, ติดกำหน ด, ด ย, ยับยังศึกษาตั้งจิตให้มันเป็นหลักให้มัน่นคงส่วนที่มันเป็นจิตเป็นหรืออะไรเป็น ถ้าร่างกายมันเป็นจิตไม่เป็นเราก็เอาจิตเนี่ยมากำหนดทบทวนพินพจิตรณาเมื่อก่อนนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุดใดมันไม่อะไรเกิดขึ้นพิษปกติถ้าเราทั้งหลายสนใจพิจารณาเราก็จะได้มีเงื่อนไข เมื่อร่างกายมันเป็นนะจิตของเราเกิดความหลงเกิดความฟุ้งซ่านมันเป็นด้วยกับร่างกายที่มันเป็นเพราะอุปทานาคันถ้าเรามาพิณิพิจานั่นก็ส่วนร่างกายส่วนจิตก็ส่วนจิตรักษากำลังใจของเราให้ดีมีสติปฏิบัติสมาธิเจริญวิจัยยะเหมือนในโพชฌงค์ที่พระอริยะทั้งหลายท่านท่านใช้สกอตร สติสัมบว د ชังโคโคกัสปะมายาสัมมาดาฆาโตนั่นเกิญสติขึ้นมาเมื่อมเนื้พิจานานเะวลาป่วยไม่สบายแต่เติมมาจากนั่นก็ทำเนี่ยะวะธรรมวิจยะสัมบ ود ชังโคโคกัสปะมายาสัมมาดาฆาโตน่นแต่ก่อนท่านใช้ธรรมะเข้าไปช่วยเหลือเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นในร่างกายก็ตาม ในจิตใจก็สามท่านสามารถรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายรู้ที่มารู้ที่เกิดรู้ที่ดับเลยท่านสามารถจัดอวิชชาที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในทางที่เราไปรุ่มหลงเลยคล้ายกับรู้เท่าสังขารท่านไม่หลงสังขารสังขารส่วนไดนเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของสังขาร ไม่รู้ว่าแต่สังขา ร, รว่าปรุงแต่งธรรมดาเท่านั้นท่านยังรู้ว่าสังขาราอานิจจาอีกท่านยังรู้ว่าสังขาราอนัตตาอีกนะ mm hmm. uh, เมื่อสังขาราเป็นอนัตตาแล้วมันก็เป็นของภายนอกเสียแล้วเรื่องสังขารก็เป็นเรื่องของสังขารมันไม่ใช่เป็นเรื่องอัตตา ที่เรามีพัฒนามีเวทนาก็เพราะอาศัยตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาใช้เป็นนิพพิจนารณาแล้วตัณหาในในสังขารไม่มี ตัญหาในรูปมันไม่มีตัญหามีแต่นในจิตที่มันสัมะยุตถูกอวิชชาครอบงําท่านั้นเมื่อจิตนั้นเพิกอวิชชารู้เท่าสังขารหมดแล้วตัญหามันจะไม่มีที่เกิดไม่มีที่อาศัยผลนิสุดสิ่งใดติด ท, ทุกข์อะไรทุกข์กวามันเป็นของ เลือ่อนลอยไม่มีเจ้าของเหมือนกับแดดที่ไม่มีเจ้าของเราทั้งหลายก็มีร่มที่อยู่อาศัยหมดแล้วมันก็เผาไปสุดท้ายในข้างนอกนะฉันใดสังขารไม่มีเจ้าของอวิชชาไม่มีเจ้าของปัญหาไม่มีเจ้าของแล้วมันเป็นวันยังคำ่ำอาจจะเป็นได้จะไปยุ่งอะไรกับปัญหานั่นนี่แหละเร า, ท, า, าทั้งหลายพยายาม ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิส่เขาตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นให้ใช้ดวงไฟเล็กๆนี่แหละเะส่องทางเมื่อนาเก้ า, าเมืก้าแล้วเรามีทุนแล้วเราจะขยายเท่าไหร่ก็ได้ดวงไฟให้สว่างมีกำลังดีแล้วชั้นใดเราใช้สติให้ใช้สัมปชัญญะความระลึกเข้าม า, ากายก็ได้จิตใจก็ได้สอดส่อง ร, รมอย่าไปส่องข้างนอก สองคำ น, นี้แหละเพื่อให้เกิดความรู้ตัว่าให้เกิดความโมเมาลงไหลตัวเราเองสํำคัญตัวเราเองผิดเพื่อให้ได้มีสมาสั่งกโปเนี่ยคำสั่งกโปอภิยอวิหินซาสั่งกโปอภพยาบาสั่งกโป ไม่ดั่มริเบียดเบียนตัวเองไม่ดั่มริพยาบาทตัวเองดั่มริเบียดเบียนตัวเองพยาบาทตัวเองพกผักชาเสียทีทุกใจภายหลังเดืดเลืดเมื่อรอนใจสิเตียนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวสิเสียเปรียบเขาถึงคราวสิ่ทาอะไรไม่สําเร็จเสียเพียรเปียบกิเลสคําว่าเขาในหมายถึงกิเลสเป็นคู่ต่อสู้ เป็นสิ่งที่ทําลายความสงบสุขของเราที่ม่ให้เราสมประสงค์เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามอบรมอันสติกับสำไปชันแยะดวงเล็กๆนี่นะกัลลุกสอดส่งธรรมจะเอาใจกัลลุกพุทโธก็ได้จะเอากายกัลลุก่าให้มีเราต้องการทําลายอาวิชชาในส่วนไหนที่เราพอทําได้หลายตั้งตัวไว้นั้นก่อนเมื่อมั่นคงแล้ว วิชาเกิดขึ้นทำลายสิ่งหนึ่งในแล้วสิ่งอื่นไม่เป็นของยามันก็คอยทำลายไปตามๆกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพากาันกำหนดจดจำในใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็จะประสบพบเห็นเส่งความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและเบืองหน้าบรรยายมายุดติดแต่เพียงเท่านี้ก่อน